พวกเราบวชมาก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบูชาพระคุณจริงๆเสียสละจริงๆแล้วก็ให้เป็นพระที่สมบูรณ์จริงๆในศีลในธรรมมันจึงจะถูกต้องไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วก็ปีเจ็ดไปปล่อยป่าละเลยทางด้านจิตใจไม่สนใจในธรรมวินยัยแล้วก็ปล่อยใจทางสมาธิในจิตใจก็ไม่ได้สนใจ เมื่อเราออกไปเราก็ไม่ภูมิใจเมื่อเราทําตนไม่ดีทําใจไม่ดีแล้วเราจะเอาอันไหนบูชาพระคุณของท่านท่านต้องการดีท่านเองนะท่านต้องการคิดดีทดําดีพูดดีนะีจึงจะบูชาพระคุณของท่านได้ถ้าเราคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเราจะเอาสิ่งที่มันไม่ดีไปบูชาท่านไม่เอาหรอกท่านไม่รับเพราะงั้นแหะ ท่านหมารับสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้บวชมีความหมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบรรพชาก็คือบวชเป็นสมนเณะอุปสมบทก็คือบวชเป็นพระบรรพชาอุปสมบทเพื่อบูชาพระบุรพาจารและสืบท อ, อดพระพุทธศาสนาพระบุรพาจารย์ก็อย่างหลวงพ่อได้พูดเมื่อวานภาษารีบุตรพระโมกขาลา พระกัจปาอานณ์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดเนีว่าเป็นบุรพ า, ารยาของพวกเราเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ธรรมะจนมาถึงยุคหลังๆ ห, หลายชั่วอายุจนมาถึงพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่ต่างๆที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจัดว่าเป็นปุรพาจารย์ทั้งนั้นหลวงตามหาบัวหลวงปูล่าลาเนี่ยหลวงปู่เ้า เป็นพระบุรพาจารย์ของพวกเราเราบูชาพระคุณของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบูชาพระคุณหลวงตาหลวงตาเนี่ยอายุท่าน96ปีปีนี้และก็พร้อมกันวันที่12สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดของท่านพระใหม่ทั้งหมดหลวงพ่อจะให้เข้าไปกราบคารวะองค์หลวงตาพร้อมกันพอเราบวชในโครงการนี้เราบวชบูชาพระคุณ ในโครงการานี้พระได้ให้พวกเราตั้งใจภาวนานะสรุปแล้วให้ตั้งใจภาวนาให้เป็นพระที่ดีให้มีคุณภาพในตัวของพระงั้นคุณภาพของพระนี่คืออะไรคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลเป็นเบื้องต้นคุณภาพของพระลึกเข้าไปกว่านั้นก็คุณภาพของธรรมก็คือมีสมาธิในจิตใจจากนั้นก็เป็นพระระยะบุคคลขึ้นไปตามขั้นตอน ปสูดาสกธาคานาคาอรหันอันนี้บอกคุณภาพของพระที่สูงสุดถ้าเป็นพระอรหันแล้วกับถ้าเป็นทองคำกับทองคำร้อยเปอร์เซนต์ว่า ง, งั้นถ้าเป็นเหล็กร้อยเปอร์เซไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวที่จะเกาะติดอยู่ในนั้นนี่แหละนะก็ให้พวกเราพยายามขัดเกลาไปเรื่อยๆสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยอันนี้ก็คือการบวชของพระลูกพระหลานนะ วันที่สองสิงหาเนี่ยแหละจะบวชอีกรอบสองมากเท่าไหร่ก็ยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจอาจจะมีวัดอื่นมาบวดด้วยก็ได้ถ้ามีแต่วัดเราก็ประมาณห้าองค์ที่จะบวชในพรรษานี้จะบวชในพรรษ า, ดาได้ไหมหลวงพ่อก็เคยได้อธิบายในเอ3สของหลวงพ่อมีอยู่กัหนึห่งหลวงพ่อได้พูดในรายละเอียดเกี่ยวกับนางวิสาขานาหลานชายมาบวช กับพระสงฆ์พระสงฆ์วัดเชตะวันมหาวิหารแต่พระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติวินัยว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติแต่พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อนางวิสาขานําหลานชายมาเพื่อจะนํามาบวชพระสงฆ์เหล่านั้นก็บอกโอ้ยพวกอาตมาบวชไม่ได้หรอกโยมเพราะอาตมากลัวจะเป็นต้นบัญญัติต้นบัญญัติก็คืออะไรก็คือภิกษุใดก็ตาม บวชกุลบุตรในพรรษาปรับโทษอย่างนู้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะปรับวินัยหนึ่งมาต้นบัญญัติต่อไปก็ไม่ให้ใครทําอีกกลัวอธตมากลัวจะเป็นต้นบรร ญ, ญัติบวชในพรรษาธรรมาไม่กล้า บ, บวชละโยมออกพรรษาจกระนะแต่เนี้หลานชายของนางวิสาขาพอออกพรรษาแก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่บวชไปงั้นแต่ขุณยา ก, ก็เสียใจจะเนี่ย ถ้าจะให้บวชคราวนั้นแล้วก็คงจะได้อบรมศึกษาทางด้านจิตใจแต่นี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่นางทิสาขาก็เสียใจจากนั้นเขาเลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันขอกราบขอพรจากพระพุทธเจ้าถ้าคุณละบุตรผู้ใดก็าตามอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาในพรรษาก็ข อ, ขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาต การบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาโดยเทินพระเจ้าขา่าจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้รับคำขอจากนางวิสาขาพระพุทธองค์ก็ประชุมสงฆ์พอประชุมสงฆ์เสร็จแล้วก็บันญับที่นหนแต่นี้ต่อไปกุลบุตรอยากจะบวชในพรรษาก็าให้พวกท่านทั้งหลายบวชได้เพราะว่าเป็นการส่งเสริมอุปนิสัยบุญ บรมีของเขาถ้าคว่าผู้ใดห้ามไม่ให้บวชในพรรษาองค์ใดก็ตามห้ามไม่ให้ภิกษุบวชในพรรษาปรับอบัตทุกกฎมีโทษอีกเพราะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้คือความเป็นมาของวินัยเป็นมาด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทวินัยแต่ละอย่างถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้ววินัยของพระพุทธเจ้า มีเหตุมีผลก่อนที่จะบัญญัติวินัยแต่บัญญัติในยุคสมัยนั้นแต่มายุคสมัยนี้ก็รู้สึกว่าวินัยบางซิกขาบทกล้าสมัยเหมือนกันนะนถ้าพวกเราได้ศึกษาละลาสสมัยคาลาสมัยก็คือของใช้คือยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นของดิบดีแต่มายุคสมัยนี้รู้สึกว่ามันเกลื่อนไปหมดแต่วินัยจุดนั้นก็ยังเอาไว้อยู่ถอนไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว พระพุทธเจ้าห้ามถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสง์ครบรับนับถือเชื่อถือถ้ อ, ถอยคําของท่านนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วสาวกองค์ไหนก็ตามถอนไม่ได้ต้องเอาไว้ตามเดิมเอาไว้อยู่อย่างนั้นนต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเกิดประโยชน์แต่ยุคนี้ไม่เกิดประโยชน์ แต่ยุคต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้เพราะนั้นเกิดมายุคนี้ไม่พอใจว่าร้าสมัยถอนต่อไปคราวหน้าอีกจำเป็นได้ใช้อะไรทำไงเพราะมันไม่ใช่มีแต่ยุคของเราเท่านั้นเพราะนั้นให้เอาไว้ก่อนแต่ยุคนี้ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ถูกตามกาลเทศะยุคนี้สมัยนี้เราก็บัญญัติขึ้นมา คล้ายๆกับว่าไม่ใช่บัญญตัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นคือคณะสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นว่าถ้าว่าเราไม่บัญญัติตัวนี้ขึ้นจะทําให้ส่วนอื่นเสียหายได้จุดจัดอยู่ในมหาประเทศสีคือมหาประเทศสีคล้ายๆกับว่าบัญญัติตามภูมิประเทศการสถานที่ยุคนั้นนั้น น, นี้บัญญัติตามยุคสมัยอยู่ในมหาประเทศสีถ้าว่าถามว่าเรื่องอะไร พวกเราอยากจะทำว่าเรื่องอะไรครับหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังสิหหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างตัวหนึ่งให้ฟังใกล้ๆก็คือสมัยก่อน่ะไม่มีเครื่องบินแล้วก็ไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ยอย่างเนี้ยถ้าว่าทุกสมัยนี้พระขับเครื่องบินน่ะแล้วพระขับรถยนต์น่ะไปเหยียบสัสสาลายสิงไปชนคู่ชนคนเข้าไปล่ะมันพร้อมที่จะผิดกฎหมายได้ง่าย แล้วกฎหมายบ้านเมืองเขาจัดการกับพระเป็นยังไงพระองค์นั้นเหล่านั้นน่านับถือน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาไหมที่พระไม่ควรจะทำอย่างนั้นกับกิริยาอย่างนั้นแต่ยุคนั้นสมัยนั้นในครั้งพุทธเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ยุคนี้มันมีพอยุคนี้มันมีจะทำยังไงคณะสงฆ์ที่เป็นประธานสงหรือพระคณะสงฆ์ก็มองดูในมหาประเทศสี่ความเหมาะสม ในการสถานที่นี้นการ น, นี้เวลานี้นี้ยุค น, นี้ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามโลกสมมติในยุคนี้ส ม, มัยนี้อย่าให้มันออกนอกลูก่นอกทางเพราะพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีจุดประสองค์อะไรลักษณะตัดสินธรรมพินัยแปดประการของพระพุทธเจ้าเราศึกษาดูแล้วก็นี่แหละคือไม่ให้ฟ um ุ้งเฟ้อเหอะเหิมไปกับโลกวัตะสงสารให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้จักประมาณตน ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าไปส่งเสริมกิเลสราคะโทสะโมหะส่งเสริมกิเลสราคะโทสะออกไปข้างนอกให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ตัวให้รู้จักปล่อยรู้จักวางให้เห็นโทษในวัฏฏะสงสารถึงเราจะพัฒนาดีเดขนาดไหนล่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนในโลกอันนี้ อีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างเข้ากุเข้าหีบของไขรของเราหนีออกไปไม่มีใครที่จะยึดครองโลกเราว่าจเจรินจะเดินนี้ไปได้แต่ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ไปตามวัตถุที่เราตั้งเอาไว้ถึงเราจะทําให้มั่นคงแข็งแรงขนาดไหนเป็นร้อยปีพันปีแล้วก็คิดไปอย่างนั้นแ่ะแต่ตามจริงมันอาจจะถึงก็ได้อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ร่างกายของเราเนี่ยพูดได้เลยถ้าถึงร้อยปี หรือร้อยยี่สิบปีแล้วแปลว่าคนนั้นเก่งมากแล้วถึงจะเก่งกับแบบล่อแหล่แบบงั้นถ้าเป็นนักมวยก็ขึ้นไปชกบนเวทีถึงจะชนะเขาก็เถอะแต่สิ้นกับพ่อเป้เต็มทนเข่าอ่อนเต็มทนวันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะคนที่มีอายุร้อยี่สิบปีนั่นแนหะเรียกว่าเก่งละแต่ถึงยังไงก็พยุงปีกซ้ายปีกขวาทะนุถนอมประคบประงมเต็มทนแล้วนะเพราะอะไรเพราะอายุมากแล้วหมดสภาพ นี่ะร่างกายของคนเราก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะาะนนั้นพวกเราพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้เพ่งมองทั้งด้านวัตถุจนเกินไปให้เพ่งมองทั้งด้านนามธรรมคือจิตใจจิตใจนี่แหละตัวนีแหละสำคัญนามธรรมส่วนร่างกายนันก็พอประมาณส่วนนามธรรมนั้นจะให้โง่ก็ได้จะให้ฉลาดก็ได้จะให้ฟุง้งเฟอ้อเหอ่อเหอิม ส่งเสริมไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโจรทยานไปที่ไหนก็ได้แต่พยายามหักห้ามขัดเกลว์ให้รู้เท่ารู้ทันให้มีสติปัญญาสกัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากห่วงเหล่านั้นก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราสกัดจิตสกัดกิเลสออกจากจิตใจของพวกเรา ให้จิตใจของเราบริสุทธิ์อย่างที่ว่านี่นะทองคํามันปะปลด้วยโลหะต่างๆมีแร่เงินแร่ทองแดงทองเหลืองอยู่ในทองนั้นเราก็พยายามสกัดเอาอย่างไงจึงจะสกัดได้เขามีกรรมวิธีองนันเลยสกัดจนถึง 99.9 อย่างนั้นก็มีนะแต่ในหลักของพระพุทธเจ้าพระหรหันต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเต็มร้อยอย่างนั้นเลยคำว่าแปะเพื่อนไม่มีกิเลสตัวไหนยอยู่ในจิตใจของพระหรหันต์ พระหานเนี่ยบริสุทธิ์เต็มร้อยเหมือนกทองคำเนี่ยยังมีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเพราะงั้น่ะกันนอกนั้นออกมาพระอนาคามีก็ต่ําลงมาเปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาพระสักคาถามีก็ต่ําลงมาพระโสราบันก็ต่ําลงมาปุตตุชนนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพางั้นแต่ปุตตุชนไปว่าไปได้ทุกแห่งหนบางที่ก็โผล่ขึ้นมาสว่างขึ้นมาพอโผล่มาก็มุดลงไปก็หายเงียบลงไปอีก เพาะเมียขึ้นากับโผล่ขึ้นมาอีกเป็นบางครั้งบางกล่าวเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะงั้นเถอะลุกๆโผล่ๆคุ้มดีคุ้มร้ายเพรางั้นเถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะดูใจของพวกเราก็แล้วกันนะบางทีก็คุ้มดีก็ดีแต่บคุ้มร้ายโอ้โหโมโหโทโศกัดกลุ่มในจิตในใจอย่างนั้นแหละที่ว่าใจปู่ตุชนลักษณะอย่างนั้นแต่ใจอริยนนะชนจะไม่เป็นอย่างนั้นยึดตัวหนึ่งเป็นหลัก ยึดตัวหนึ่งเป็นหลักคือพระโสดาบันยึดถิ่นห้ายึดความถูกต้องเป็นหลักถึงจะทํำยังไงยังไงก็ตามจะฆ่าใครฆ่าสัตว์ไม่ได้ด้วยเด็ดขาดถึงจะฝันฆ่าก็ไม่มีเหมือนนนอะพระโสดาบันจะฝันขโมยเขาก็ไม่มีไม่ต้องคิดว่าจะขโมยคนอื่นจปะปบพืชละลาบและรวงสามีภรรยาคนอื่นไม่มีในใจของพระโสดาบันจะโกหกจะมีคนไกลโกหกคนอื่นไม่มี นี่จิตใจของพระโสดาบันจะคิดดื่มสุราไม่มีเพราะเห็นโทษเห็นโทษแล้วนี่แหละคือพระโสดาบันมีจุดยืนมีจุดยืนและพระโสดาบันจากนั้นพระสกทาขามีพระนาคามีพระระหันขึ้นไปแต่นอกจากนั้นลงมาเนี่ยเป็นปุตุชนอย่างที่ว่ายังไม่ได้สําเร็จพระโสดานี่ถ้าโมโหขึ้นมาแคอยากจะฆ่ามันมักเพื่อเพื่อฆ่ามันจริงๆก็มีวะงั้นแตแต่พระโสดาบันฆ่าไม่ลงมันเป็นอัตโนมัติของท่านเอง นวยบอกปุตุชนกับอริยชนแตกต่างกันอริยชนมีจุดยืนจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ถูกโดยเดชทานแต่ปุตุชนนี่เถลอถลา ท, ทําได้เพราะนั้นจังว่าลรู ป, รปโผโ่ไม่มาตรฐานเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราที่ยังไงยังไงก็ให้มันโผต่อสินต่อธรรมต่อคุณงามความดีให้มากไอ้ที่มันมุดมิดปิดตาเราพยายามสังเกตสังกาดูว่า จิตใจของเรารุ่มหลงมัวเมากับสิ่งไหนแต่และวี่แต่และวันมันไปทางไหนไปทางโลภทางโกรธทางหลงราคะโทสะโมหะ ต, ตัวไหนมันหนักกว่ากันก็พยายามถอนใจขึ้นมาให้เข้าสู่ศีลธรรมให้มองโลกถึงจะเราจะทำดีขนาดไหนมกมุนขนาดไหนหวังดีขนาดไหนจริงจังขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะโลก แต่ขนาดร่างกายของเราเรายังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปแบกอะไรโลกร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันทนุถนอมขนาดไหนอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างยุกยาออกกำลังกายไม่รู้ว่าท่าไหนต่อท่าไหนหมดดีที่สุดแล้วเพอเพยังเขียนเป็นตำรับตำราออกมาอวดกันอกีกชะลอความแก่ยงนั้นชะลอความแก่อย่างนี้ออกกาลังกายอย่างนั้นออกกาลังกายอย่างนี้ ไทยเช็คโน้ตไทยเช็คครั้งนึงพูดออกมาแต่ตามไม่จริงถ้าไม่พูดมันก็ยิ่งแย่ไห่พูดออกมากับเตือนกันก็ดีแต่ว่าจะจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นจุดมากเกินไปมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะถ้าจริงจังมากเกินไปยมมาทูดเขาขะมองเขายืนอยู่ข้างหลังเน่ะเขาทําหนวดของเขาข ม, มุบขมับขะมุบขะหมับอย่างนั้นนะแต่ว่าเด็กมนนี้มันทําท่าที่อวดไปอย่างนั้นล่ะอีกสักวันหนึ่งขนะ่าจะบีบพอทั้งหมดนะ่ะ ยมมาพูดเขาจะว่าอย่างนั้นด้วงั้นแต่เขาไม่ได้พูดให้เราได้ยินหรอกแต่ว่าก็อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ยมมาทูบบีคอหมดเลยเพียงรู้จะบีบเวลาไหนท่านเองเพราะนั้นเราอย่าไปทนุงอวดตัวจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญอันนี้จุดนี่แหละสาคัญถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญเราจะไม่ทําความดีเราจะชราใจ เราจะทําอะไรทําตามอําเภอใจอัธาใจอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะเตะมันจะไปตามอําเภอใจเพราะเราคิดว่าตายแล้วสูญแต่หลักของพุทธศาสนาท่านพิสูจน์มาแล้วตายแล้วไม่สูญ น, นี่แจุดนี้สําคัญเมื่อเราคิดว่าตายแล้วไม่สูญเรากควรจะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับตนเองกับประเทศชาติกับผู้คนกลุ่มใดเราจะไม่เหยียบย่ําจิตใจของคนอื่นเขา เราจะเชิดทูลนนบูชาจิตใจของเขาเหมือนกับของเราเราเขาต้องการความสุขเสมอกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อเขาตกทุกข์เราจะช่วยเขาได้อย่างไรเมื่อเขามีความสุขแล้วก็ยินดีอนุโมทนายินดีกับเขาไม่ลังแกเบียดเบียนเขาไม่กระชากลากถูเขาไม่เหยียบย่ำเขาเมื่อเขาได้ดีในทางที่ถูกต้องเวนเสียจากเขาไดดีมาในทางที่ไม่ถูกต้อง ขายาป่ายาม마อย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ถูกเพราะเหตุไรเพราะมันทําไม่ถูกตัวเองอยากจะร่ํารวยแต่ไปเหยียบคนอื่นเขานอ่อนนั้นควรจะตาหนิเลี้ยวประนามในการกระทํานั้นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะอย่างนั้นไม่ถูกแต่ถ้าว่าเขาร่ํารวยด้วยสติด้วยปัญญาของเขาแล้วก็ควรจะยินดีเมตตากรุณามุถิตาอุเบกขา ในธรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ทั้งสี่อย่างเมตตาคือคิดสงสารที่เขาด้อยกว่าจะทำยังไงจะช่วยเขาได้จะช่วยใครใครได้มุทิตามุทิตาพอยินดีกรลุนาคือสงสารสงสารจะช่วยเขาให้พ้นจากทุกมุทิตาพรอยินดีเมื่อเขาได้ดีอุปเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อเขาถึงคราววิบัติ ถึงเขาอยู่บ้างคือเมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากเราช่วยเต็มที่แล้วจะทํำยังไงได้ถ้าเราจะไปคิดทุกข์มันก็ทุกข์ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องวางอุปเเก ข, ขาในใจของเราเนี่ยมาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเบื้องต้นมีท่ามกลางและก็มีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ถ้าพวกเราใช้สติใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพอดิบพอดี มันจะมัดชิมาปฏิปทาในการก้าวเดินในชีวิตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราสุดโตรงข้างใดข้างหนึ่งเราจะทุกข์ใจนะทุกข์ใจไม่ใช่ทุกขครแต่ทุกข์ใจของเรานั่นแหละเมื่อใจเป็นทุกข์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดกําลังใจแล้วมันหมดทุกอย่างถ้ามีกําลังใจและกําลังใจของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปด้วยแต่ถ้าว่าคนเราหมดกําลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มันหมดกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตอย่างนั้นเถะมันหมดจริงๆหมดกําลังใจเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหมดโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เราต้องรู้เท่ารู้ทันรู้เขารู้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักการสร้างสรรค์รู้จักการกระทําคุณงามความดีจากนั้นเมื่อทําดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราจะไปทํำยังไงเราไปทุกข์ใจกับสิ่งเหล่านั้นมากก็ไม่ได้นะ รับพรวันนี้หลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราอีกแนวหนึ่งนะ